ก็มันก็เหมือนมันเหมือนกับคนที่ลอยอยู่ในน้ำใช่ไหมพอแม่ขยับตัวแป๊บเดียวเนะี่ยมันก็กระเทือนไปถึงบทหมดทีนี้ถ้าแม่ที่แบบปกตินักกีฬาเก่ามาเนี่ยนะจะค่อยๆเดินไหมจะค่อยๆแบบเอิจฉาอะไรแบบค่อยๆแบบอ่ะ น, นะเยอะค่อยๆไม่ใช่หรอกเห็นไหมเพราะว่าถ้าเป็นอะไรลูกคนหัวปีหน่อยก็แสดงว่าแม่นี้แข็งแรงมากเลยนะจะลุกจะเหินเดินก็บางทีก็ลืมไปว่ามีคำอย่างนี้ ทีนี้เด็กทั้งหลายเนี่ยนะถ้ากายภาษาธาตมันมีอยู่เวทนามันเกิดแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเด็กในคันนี้ก็มีการตกใจเป็นต้นไปแล้วเนี่ยนะมีการตกใจ ม, มีมีทุกขากายยะวิญญาณแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าสัตว์นั้นย่อมเสวยทุกเวทนากล้าในเวลาที่มารดาดื่มน้ําเย็นก็เหมือนบังเกิดในศีตะนรกเนียนะ เออมันความเย็นนี่มันแผ่ไปถึงลูกด้วยเหรอมดิมแม่เดิมน้ําเย็นมากๆเข้าไปเนี่ยนะถึงไหมจำไหมนี่นะนะเพราะมันก็มันก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากมายใช่ไหมนะนั่นนะก็ความร้อนน่าจะมีส่วนไปถึงอยู่บ้างถ้าเดิมน้ําน้ําร้อนอ่ะนะถ้าเดิมน้าเย็นก็ความเย็นก็มีส่วนไปถึงเพราะฉะนั้นเวลามาดากเลืนกินข้าวยาคูร้อนและพัดเป็นต้นก็เป็นเหมือนฝนฐานเพลิง ประพรมไปโดยรอบในเวลาที่มันดากรืนของเค็มและเปรี้ยวเป็นต้นก็เป็นเหมือนสัตว์เนี่ยถึงกรรมกรโดยวิธีราดรดด้วยน้ำด่างเป็นต้นนี่อันนี้เรียกว่าทุกมีการบริหารคันเป็นมูเนี่นะก็อีกไม่นานก็แต่ละคนก็อังเกตอนสนใจไหมนะอย่าไปตอบง่ายๆเนเดี๋ยวเรก็สนอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยลำบากนานะ มาอยู่ในคันอีกแล้วเนี่ยนะคือก็น่าคิดนะเพราะว่าเออเราก็ดูผู้หญิงที่มีคันใช่ไหม mm. เวลาเข้าเดินเข้าขยับตัวเนี่ยนะของมานี่เห็นแล้วค่อนข้างลําบากใจเลยนะ mm. เห็นคนมีคันเนี่ยนะนึกเราพ้นจากคันนอนในคันแบบนี้หรือยังเนาะเนี่ยนะจะต้องไปให้เขาบริหารอีกแล้วมัจยิงก็เพิ่งถูกบริหารมาไม่นานนี้เองนะจะไปให้เขาบริหารอีกแล้ว คุณบุญชูก็ทําบุญนี้นี้ไว้เน้อไม่งั้นนี่เดี๋ยวก็กลับมาอยู่ในครันให้แม่บริหารอีกแล้วนะแล้วก็ถ้าหากว่าแม่บางคนเนี่ยนะตอนที่มีคันใช่ไหมแม่บางคนทํางานหนักมากคือกรรมของลูกที่อยู่ในครันนะมีผลต่อแม่ด้วยมีผลการต่อการครองชีพของแม่ทั้งหมดเลยถ้าหากว่าลูกมีบุญมาเกิดนะแม่ก็ทุกอย่างจะได้สมใจอ ย, ยากหมด ดีไปหมดแต่ถ้าหากว่าลูกเนี่ยอุปปีแล ะ, ก ร, ะ ก, กรรมมาเบียดเบียนนีแม่เริ่มมีปัญหาเข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีเลยเนะคือเช่นค้าขายก็ขาดทุนเป็นต้นเนี่ยมันมีผลต่อกิจกรรมของแม่หมดเลยอย่างเช่นในคัมภีร์ท่านกล่าวถึงว่าพอมาเกิดในคันปั๊บเนี่ยแม่ขอทานเนี่ยเคยขอทานได้เนี่ยขอทานไม่ได้เลยต่อไปมีลูกคนนี้เนี่ยขอทานแค่มไม่ตายนะแต่ว่าให้อิ่มไม่อิ่ม แค่ไม่ตายเฉยๆเนี่ยก็อยู่อย่างนี้ไปจนคลอดลูกอ่ะนะวันไหนถ้าพกไอ้ลูกน้อยคนนี้ไปขอทานด้วยวันนั้นก็แค่ไม่ตายแต่ก็ไม่อิ่มน่นนะมันก็ลูกเนี่ยมีผลต่อแม่หมดเลยะนะมีเพราะมันอยู่ใกล้กันอ่ะนะมันก็มีผลต่อกันหมดแหละมันก็แม่ทั้งหลายก็มีลูกแล้วก็มีความสุขโศสโมสุทรเป็นต้นเนี่ก็นับว่าดีเยี่ยมแล้วนะแต่ว่าแม่หลายๆคนเนี่ยพอมีลูกปั๊บนี่ก็เริ่ม เดือร้อนนะถ้าเป็นแม่ตามประเพณีก็ค่อยยังช่วนหน่อยใช่ไหมก็ยังพอมีคนอื่นเขาเห็นใจบ้างอ่ะนะทาแม่ไ ม, ม่ตามประเพณีด้วยก็โอ้ยลาบากมากอ่ะน ะ, ละเ le, ล่เฮดเล่เฮเล่ร่อนไปสองคนผัวเมียนะมีท้องด้วยก็ทุกข์ขนาดเลยแหละดูแต่ในหนัง <c oughs> แต่เรารู้แล้วว่ามันทุกข์อ่ะนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนนั้นยังไม่บวหรอกเห็นใ้เพื่อนข้างๆบ้า น, ม, นมันมีลูก เราเห็นผู้หญิงทองแล้วเรากลัวเลยนะกลัวจริงๆเลยกลัวว่าเราจะต้องไปอยู่ในท้องอีกแล้วาง้นยนะเพราะตอนนั้นก็พอมีกรรมสักตาอยู่ว่างยังเชื่อเรื่องตายเรื่องเกิดอยู่ว่างตายแล้วมันต้องเกิดนะอย่างงี้ยนก็เรา เ, ราเราทั้งหลายเนี่ยในห้องเรียนเราก็วัยก็ใกล้ฝังกันทั้งนั้นเ่ยนะ <S <S แต่จริงถ้าแปลตามสภาวะวัยใกล้เกิดใหม่ทั้งนั้นเลยฟังก็ ทำบุญนี้นี่เนี่ยทำมาเกิดแต่ถ้าถ้ายัางไม่เป็นพระโสดาบันนะอย่าคิดว่าเราพ้นจากการอยู่ในคันแล้วถึงเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นประเภทสัตว์ตักขตุประมะเนี่ยนะ <c oughs> พวกนี้ก็อยู่ในคันอีกเจ็ดคันอ่ะอยู่ในห้องแม่ในห้องเนี่ยอยู่ในมดลูกอีกเจ็ดครั้งนะ <c oughs> ถ้าเป็นพระโสดาบันแบบสัตว์ตักขตุประมะเนี่ยแต่ถ้าไม่เป็นพระโสดาบันนะมันคันมนุษย์มันก็ดีที่มันคันต่ำกว่ามนุษย์อีกนะมัน สัตว์ในคันประเภทอื่นๆที่ล่างกว่ามนุษย์อีกที่เดือดร้อนหมดเลยเนยทีนี้บอกว่าอันหนึ่งเมื่อมารดานั้นมีคันหลงทุกได ย, ย่อมเกิดขึ้นโดยอาการมีการผ่าตัดเป็นต้นในที่เกิดแห่งทุกอันไม่ควรเห็นแม้แต่มิตรอาหมาและเพื่อนเป็นต้นทุกนี้เรียกว่ามีการวิบัติแห่งครันเป็นมูลต้องนึกแบบสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยที่การแพทย์ไม่เจริญเท่าเท่ายุคนี้ใช่ไหม ปกติมันก็คือคลอดแบบธรรมชาติซะส่วนใหญ่ทีนี้ถ้าคขนมันหลงขึ้นมาล่ะนะมันอยู่ขวางขวางลำเลยนะมันแทนที่จะคลอดง่ายๆมันกลับคลอดยากนึกถึงแม่พระศรีวลีเนี่ยชัดเลยอยู่เจ็ดวันด้วยกันเนี่ยนะหมายความว่าเตรียมจะคลอดอยู่แล้วมันก็ออกไปขวางขวางปากทางคลอดอ่ะขวางช่องคลอดอ่ะมันก็เลยไม่ได้คลอดสักทีหนึ่งอ่ะนะก็อยู่อย่างนั้นอ่ะแม่ก็แทบตายเนี่ยภายในเจ็วันเนี่ยนะ ดีว่าเป็นพระทศดาบันแนละถ้าไม่เป็นนี่สงสัยจะทุกข์มากๆนะแต่ก็ไม่ตายหรอกแล้วเกือบตายนะั่นแหะทีนี้พวกที่คันคันวิบัติเนี่ยนะที่ไปแท้งแต่อะไรขึ้นมาเนี่ยนะนะก็เจ็บปวดไอ้พวกเกี่ยวกับเรื่องคันวิบัติตอนตอ น, ตอนเกือบเกือบคลอดหรือตอนคลอดเนี่ยนะมันมีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะนะนะกลับกลับไปครั้งหนึ่งก็คือเขามีลูกพิการอยู่คนหนึ่ง มันมันเป็นเด็กปัญญาอ่อนไปเลยเป็นเด็กผู้หญิงปัญญาอ่อนบอกอายุสี่ขวบแล้วยายเขาก็มาเล่าให้ฟังบอกว่านี่ลูกของไอคนนั้นอะ่ะเสร็จแล้วเรื่องราวก็คือว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไปได้ผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมก็ไม่ต้องการมีลูกพอพอท้องโตพอสมควรแล้วก็อยากจะฆ่าลูกเนี่ยทิ้งฆ่าแล้วมันไม่ตายในที่สุดก็ได้คลอดก็เลยได้เด็กปัญญาอ่อนที่การไว้เลี้ยงคนหนึ่ง แม่ไม่ได้เลี้ยงหรอกลำบากยายอีกมแม่คลอดทิ้งไว้ให้ยายดูแลไปนงี้นะตอนเห็นหน้าสงสารเด็กนะสงสารทั้งเด็กทสงสารทั้งยายด้วยนะยายก็แก่แล้วควรจะสบายพักผ่อนได้แล้วที่ไหนได้ต้องมาเลี้ยงหลานหลานก็มันเด็กคุยรู้เรื่องมันตัญญาอ่อนนั่งยิ้มตลอดนงะี้นะยิ้มแบบหน้า ก, การุณนาะไม่ใช่ยิ้มแบบเด็กมีความสุขอนะสี่ขวบแล้วยังเดินอะไรไม่ได้เลยสังเงาะสังง ะ, งงะอยู่นั่นแหละ อันก็แล้วก็ลักษณะแบบนี้มีอีกไม่ใช่น้อยนะหมู่บ้านอื่นๆก็ยังพอมีให้ได้ยินอยู่บ้างก็ทุกเกี่ยวกับเรื่องการคลอดคลอดนะถ้าเป็นโบราณแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมากมากเลยนะเพราะการผ่าตัดแบบโบราณนะเครื่องมือไม่ได้เหมือนสมัยนี้เพราะว่าหมอตำยซะส่วนใหญ่เนะี่ย ก็ามาช่าย่งางฟังข่าวอยู่เลบอกว่าพวกรอบๆชายแดนเราเนี่ยพวกพม่าพวกไทยใหญ่นี้พวกกะเหรี่ยงนี้นบอกว่า <c oughs> ผู้หญิงเนี่ยอมีลูกแล้วก็คลอดลูกตายก็เยอะตัวเองก็ตายก็เยอะแล้วก็คลอดมีลูกก็ดกด้วยนะะ <c oughs> เพราะไม่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องในเรื่องอนาคตไม่รู้อะไรเลยใช่ไตายก็เยอะลูกออกลูกตายก็เยอะน่าสงสารจริง <c oughs> ก็สถานอบพยพนะสถานอบพยพนี่ก็โหเด็กเยอะมากเลยสถานอบพยพนะให้อาจารย์สุธันเล่าให้ฟังแต่รู้ว่าเนี่ยชาติตุกนะความเกิดมันเป็นทุกข์จริงๆเยอะไหมอาจารย์ตอนที่ไปดูแลพวกอบพยพอยู่เลยนะอ๋อถ้าได้รูป เพราะว่าผ่านสงคำไปแล้วพวก น, นี้จะรวยใช่ไหมนั่นนะไปเชื่ อ, อย่างงั้นซะอีกกันนะเรื่องชาวเขาชาวเขาชาวพมา่าชาวกะเหรี่ยงเนี่ยนะที่มันที่เป็นอยู่ขนาดนี้นะอย่าลืมว่าคนไทยนี่แหละเมื่อสักสักห้าสิบปีที่แล้วเนี่นะขึ้นไปถอยไปก็อย่างนี้นี่แหละไม่ได้ต่างกันเลยสภาพเดียวกันนะนี่เขาบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยตามวัดเนี่หรือตามปร ะ, ประชานี่นะ จะมีที่ฝังศพเด็กเนี่ยนะฮะเวลาเขาฝังศพเด็กก็ต้องเอามุ้งไปกลางด้วยก็บอกว่าผ่านประชาจะเห็นมุงกลางเป็นประจำอยู่เยอะเลยฮเขาบอกว่ามันมีแค่รอดแค่ทั้งสี่สิเปอร์เซ็นตนั่นที่จะโตขึ้นมาได้ น, ะนอกจากนั้นก็เป็นโรคสารพัดเยะตายหมด น, นั่นก็โขของเรานะอยู่อายุได้ยายาวขนาดนี้ก็บุญเก่ามากโผซะเนี่ยจงภูมิใจเถิดที่มีบุญเลี้ยงไว้ ก็คนที่ครันวิบัตทิที่มีปัญหาเนี่ยนะตายทั้งแม่ทั้งลูกก็มีไม่ใช่น้อยใช่ไหมที่เรียกว่าคันวิบัตินั่นใช่หม่ม า, มาอนามัยดีก็ ย, ยังชั่วนายนะแต่ก็ขนาดนั้นเนี่ยฐานการตรวจมาแล้วนะที่เรียกว่าต้องสมบูรณ์จริงๆเลยนะถ้าเป็นบางประเทศเนี่ยดูนะต้องเป็นผู้ชายนะจึงจะมีสิทธิ์เกิดถ้าเป็นรู้ว่าเด็กผู้หญิงก็ฆ่าเลยฆ่าแล้วจะได้รอให้คนใหม่มาเพราะมีสิทธิ์คลอดได้ไม่กี่ครั้งแลนะ หรือแค่มีสิทธิ์คลอดครั้งเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเป็นลูกชายก่อนอย่างเงี้ยเอ็มดียังไงลูกชายน่ะนะเลี้ยงพ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงจองล้างจองพลานติดเหล้าเมายาเอกสารพัดน่ะนะแต่ว่าพ่อแม่ก็แปลงนั้นดันไปชอบลูกผู้ชายสิออทั้งแขกทั้ออท ง, ง, ทงจีนทั้งไทยก็เหมือนกันนัะนแแต่ไทยก็รักลูกสาวมากนะน อ๋อพ่อผู้ชายเลี้ยงพ่อแม่ใช่ไห ม, มใช่ไหมแคร์ก็เหมือนกันแขกก็พ่อผู้ชายก็เลี้ยงพ่อแม่แต่ว่าอันนั้นโบราณนะทุกวันยังเป็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบยังเลี้ย ง, งพ่อแม่หรือเปล่าแขกนี่ดังเกียนลูกผู้หญิงมากลูกผู้หญิงแล้วไปขอผู้ชายอะ่ะ <c oughs> มันทาไมมีฐานะเดือดร้อนเลยครับใช่ ก็ที่ที่ได้ข่าวมาก็คือมันมีการแกล้งกันด้วยแกล้งไปไปเรียกสินสอดผู้หญิงเนี่ยแพงๆนะแพงๆ แ, แ, แล้วก็ผู้หญิงก็เดือดร้อนมากเลยแหละเห็นไหมเราโทษของการเกิดจริงๆเลยนะบอกแล้วไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่ามันเกิดไม่ดีไม่ดี ต่อไปมาดูทุกเพ่อมีการคลอดเป็นมูลว่าทุกอย่าย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้ถูกลกมกรรมชวาวดของมารดากําลังคลอดให้พริกกลับลงไปโดยลําดับสู่ทางกําเนิดอันน่ากลัวยิ่งดุดปล่องเหวผลักไปในทางช่องกําเนิดอันคับแคบยิ่งดุดช้างใหญ่ถูกผลักออกทางช่องลูกดานดุดสัตว์นรกเนี่ยถูกภูเขากระทบบดให้แหลกเป็นจุนไปทุกนี้เรียกว่ามีการคลอดเป็นมูลนะนะก็สมัยนี้ก็เขามี พวกวิดีโอเรียกว่ากำเนิดกุมารให้ดูนะก็ไปดูเอาว่าอันหนึ่งทุกมีการ อ, ออกจากคันไปแล้วนะว่าทุกใด ย, ย่อมเกิดแก่สัตว์ผู้คลอดแล้วซึ่งมีสรีระยังอ่อนแอเช่นกับผลมะเออกับแผลใหม่ในคราวที่เขาเอามือจับอาบน้ำชำระและเช็ดด้วยท่อนผ้าเป็นต้นก็เป็นเช่นกับเจาะด้วยเข็มและก็การผ่าด้วยมีดโกนทุกนี้เป็นทุกมีการออกนอกคันมารดาเป็นมูนเนี่ย เขาก็ต้องมีตบตบก้นเด็กให้เด็กมันร้องด้วยใช่ไหมก็ต้องให้มันร้องอนะนะอาจจะมีเหตุผลว่าจะต้องให้ร้องให้ปลอดมันขยายนะก็ว่าคนไหนซบเบิ้ลไม่ยอมร้องก็ต้องตบให้มันร้องปกติคลอดมามันก็ร้องอยู่แล้วหละโดยมากอ่ะนะจะมีเจ้าบางเจ้ามันอึดมากไม่ยอมร้องก็ตบให้มันร้องสักหน่อย่นะก็ถูกทำโทษนั่นอ่ะคลอดแล้วนะขนาดนั้นก็ยังแย่งกันเกิด อ๋อใช่ทีนี้ก็จริงๆอ่ะเริ่มถูกตบมาเรื่อยแล้วนะอย่างเด็กบางคนเนี่ยพอโตขึ้นมาหน่อยนี่นะพ่อแม่เจ้าโทรศะทมาจากไหนไม่รู้ตีลูกเอามากๆเลยแห ล, ละเริ่มมันกแต่ก้านไม่ยอมก่อนนะใช่หเล็กๆกัน็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแต่นักๆเข้าก็ฝามือนี่แหละ เบื้องหน้าแต่นี้ไปในประวัติการคือหลังจากเติบโตมาแล้วเนี่ยนะทุกใดย่อมมีแก่สัตว์ผู้ฆ่าตนเองก็ดีผู้ประกอบความเพียรในการทำตนให้เลาร้อนอนะให้ร้อนทั่วด้วยสา ม, มารถแห่งวัดเมียเจละกะวัดเป็นต้นก็ดีผู้อดอาหารแล้วก็ผู้ถูกแขวนตัวด้วยอำนาจความโกรธก็ดีอันนี้เรียกว่าทุกข์ที่มีการพยายามของตนเป็นมูลก็คิดดูนะพอเราจเจริญเติบโตมาใช่หมเราก็มา ลำบากมาบีบมานวดตัวเองสรารพัดอย่างเลยใช่หมวิ่งออกกำลังกายเนี่ยผู้การน่าจะวิ่งมาเกือบรอบโลกแลมันนนย่ำไปเรื่อยใช่หนนแล้วก็ทุกทุกอย่างนะในร่างกายเนี่ยที่เรามามาบีบมาดัดมาฝึกมาหัดในร่างกายเนี่ยก็ด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยการลำบากแต่นี่ก็ไม่เท่ากับพวกฤาษีในอินเดีย นะพวกนี้มันเกิดมาทรมานร่างกายตัวเองโดยตรงเลยนะเหมือนกับว่าเป็นศัตรูตัวเองมาแตกชาติบางไหนไม่รู้เพรันชีวิตในความสุขของเขาก็คือการทรมานตัวเองให้เดือดร้อนที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะเขาถือนั่นคือวิธีชดใช้บาปนะถ้ายิ่งทุกข์มากขนาดไหนบาปมันก็ใกล้จะหมดเข้ามาทุกทีเขาก็มีวิธีการที่ทําตัวเองให้ใช้บาปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เขาก็ไม่ทํากรับใหม่เขาจะปรินิพานด้วยวิธีนี้แหละ แต่ว่าไม่ใช่หรอกเนี่ย น, นะ ก, ก็วัดของพวกแก้ผ้าทั้งหลายเนี่ย น, นะนุ่งลมผมอากาศเนี่ย น, น ะ, ะก็บอกว่ามันมีพวกถือแคร่งด้วยนะว่าถ้าเป็นหน้าหนาวเขาจะไปอยู่ในที่หิมะมันตกแล้วก็เปียกชุ่มไปหมดแล้วกลางวันก็ไปตากแดดให้มันร้อนที่สุดตรงไหนที่มีแดดร้อนที่สุดนะกลางคืนก็ไปอยู่ที่มันหนาวเน็บที่สุดเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้นุ่งผ้าอะไรหรอก แล้วพวกนี้ถามว่ากินอะไรบอกว่ากินขี้วัวนะนะไปเอาขี้วัวอ่อนๆ น, นี่มากินขี้วัวของลูกวัวอ่อนๆ น, น, นะมากินแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นพร้อมกระร่องกองนะน่ะก็หนาวเน็บอยู่นั่ น, นอ่ะกดอาหารเกิดมาทรมานตนจริงๆแต่กรรมมันก็หล่อเลี้ยงไว้ไม่ให้ตาย อ, อ่ะเป็นเป็นโลภะที่ติฆตาสัมปยุตซะส่วนใหญ่นนะ คือมันเนื้ออำนาทิฐิอนะเป็นโลภะนะที่เกิดร่วมกับทิฐิ<ช>ก็พอใจเพราะว่ามันเป็นพวกนี้มา n a สูงมากนะพวกนี้ทั้งมา n a ทั้งทิฏฐิเนี่ยมีกําลังมากดูหมิ่นคนอื่นทั้งหมดแหละที่ที่ไม่ทําแบบเขาอ่ะนะแต่ว่าถ้าเป็นโทสะก็จะทำอยู่ไม่ได้นายไม่ใช่โทสะมันทําด้วยทิฐิมีทิฏฐิเป็นสมุธฐานทิฏฐิมันเกิดกับโลภะนะก็ตอนนี้ก็ยังพอมีให้เห็นอ่ะนะ อาบน้ําทั้งวันก็มีเนี่ยนะท่องมาก็โอมแล้วก็โครมลงไปนะนันนะทําหน้านั้นเขายังชั่วทําหน้าหนาวสิเนี่ยนะก็ก็มีรหัสเนี่ยนะเขามีประคํามีเชือกมัดอะไรของเขาแต่เมื่อเมื่อไม่นานอหนที่อะไรนะกลุมพาร์ลาอะไรเขาอะที่ศูนย์รวมฤาษีเป็นล้านๆมารวมกันอ่ะนะโอ้มีสารพัดฤาษีจริงๆฤาษีเกศเนี่ก็ใครจะคุ้มฤาษีจงดึงอืมใช่ แต่นี้มันมันรือีทั่วอินเดียมาประชุมกันเนี่ยนะอินรีเป็นล้านๆเลยนะพวกฝึกทรมานตัวพวกปกติคนเขาเอาขายืนกันใช่ไหมบางพวกเอายืนด้วยเอาหัวเนี่ยยืนทั้งวันอย่างเงี้ยใช้ศีรษะเนี่ยยืนแล้วเอาช้าที่ชี้ฟ้าอยู่ทั้งวันเนี่ยนะแดดร้อนเปรี้ยงแล้วก็ทําอย่างนั้นไปเนี่ยนะเอ๊ะมันแน่อนนี้สง่าง่าย น, นะแต่ว่าเชื่อไหมฝรั่งชอบไปฝึกไม่ใช่น้อ ย, ยนะฝรั่งก็ชอบด้วย แปลว่าดีตชาติเป็นเท็จีเราเนี่ยนะก็เลยเสาะแสวงหาไปจนปะเจอะเจอกันจนได้แต่ถ้าพวกใดที่ผ่านไอ้สำนักฤาษีมาจากอินเดียนะส่วนใหญ่จะอดทนแล้วก็แข็งแกร่งมาก น, นะพวกนี้กินน้อยนอนน้อยทรมานตนเก่งที่สุดนะนะอย่างในสมัยนี้ก็ประเทศไทยก็ไม่ใช่เบาใช่ไหมฝึกโยคะนะโยคะก็คือเป็นกระบวนการฝึก ดัดร่างกายแบบต้นๆนะนะเบื้องต้ น, ต น, นะตนแต่ก็แม่ทิ้งก็อุกฤษมากนะักส่วนทุกใดย่อมเกิดแก่ผู้เสวยทุกมีการฆ่าการจองจําเป็นต้นจากผู้อื่นทุกนี้เรียกว่าเกิดจากความพยายามของผู้อื่นนะนะถูกเขาหัวดเขาเครียนเขาตีถูกเขาทรมานโดยประการต่างๆถามว่าทุกทั้งหมดเนี่ยมาจากไหนเนี่ย ทุกทั้งหมดนั้นก็มาจากการเกิดถ้าอย่างยุคนี้เนี่ยเขาถือว่าการประกอบอาชีพใช่ไหมเป็นทุกขอ์อะเนี่การทำมาหากินเนี่ยนีการประกอบอาชีพเนี่ยก็เดือดร้อนอ่ะนะก็ไล่ตั้งแต่อาชีพชั้นล่างๆไปเรื่อยๆอาชีพกรรมกรทั้งหลายอาชีพบางทีก็ทํางานหามรุ่งหามค่ําดึกดึกทำสูงสูงทั้งคืนทําทั้งวันเนี่ยเนี่ยพวกนี้ก็เกิดจากการการเกิดมานั่นแหละ ทีนี้แต่ละแห่งแต่ละแห่งพระองค์ก็ท่านก็รวบรวมมาเป็นคาถาสรุปว่าหากว่าสัตว์ไม่พึงเกิดในนรกไซายเขาก็ไม่พึงได้ทุกมีการถูกเผาไหม้ในนรกเป็นต้นนั้นๆที่ใครๆอดกลั้นไม่ได้ไม่มีที่พึ่งในที่ไหนๆเพราะเหตุนั้นพระมุนีกล่าวว่าความเกิดในโลกนี้ว่าเป็นทุกเกิดในนรกใช่ไมตั้งแต่ตาปณะนรกสันชีวานรกโรรุวานรกมหารุรุวานรกอเวจีนรกเป็นต้นน้น หรือย ม, มโลกเอ่ยเรียกว่าอุตสุธนรกบริวารของนรกแล้วก็ยังมีนย ม, มย ม, มโลกอีกสิบทันน่นนะซึ่งทุกเหล่านั้นเนี่ยถ้าทําให้ปฏิสนธิในนรกซะอย่างเดียวนะี่พ้นหมดเลยแต่ว่าในนรกเนี่ยสัตว์เนี่ยัดเยียดเหมือนทนานแป้งอะ่ะเหมือนทนานแป้งนะออย่างคําว่าอเวจีเนี่ยเขาบอกไม่มีระหว่างอเวจีเนี่ยแปลว่าไม่มีระหว่างคือสัตว์เนี่ยไม่มีระหว่าง เออดัดเยียดกันอยู่นึงแล้วก็เปลวเพลิงที่มันลุกเผาไหม้ก็ไม่มีระวั ง, งนะแล้วก็อายุเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นหลายๆพันล้านปีซะส่วนใหญ่อันนั้นก็คือมหาเวจีเนี่ยหนักกว่าเพื่อนอนะแต่ที่ที่อื่นๆก็ไม่มีเบาสักแห่งนะดูอ่านดูแล้วไม่มีเบาเลยแม้แต่นิดเดียวก็หิวถ้าอย่างแบบถ้าถูกทรมานมาเต็มที่แล้วนะก็ก็ กรรมมันก็จําแนกให้เริ่มหลุดออกไปถ้าหลุดออกไปเนี่ยมันก็กระหายน้ํามาเป็นหลายๆพันล้านปีทั้งหิวน้ํามาตลอดอะ่ะมันไม่เคยได้น้ําเลยอ่ะก็ไปเห็นบอ่อน้ํากันึกมันน้าเย็นดื่มก็ไปมาน้ํากรดทั้งนั้นเลยลงไปในน้ําเนี่ยเขาก็เกี่ยวเอาเบ็ดเนี่ยเกี่ยวขึ้นมาเนี่ยนะคือมันก็เหมือนกับปลาเหมือนกับอะไรสักอย่างแต่นั่นมันหนักกว่าปลาเอามากเลยมันถ้าไม่เกิดถ้าไม่เกิดสักอย่างเดียวนะความทุกข์เหล่านั้นจกมีไห้เนีนะ เพราะว่าไอไฟที่ไหม้เป็นต้นเนี่ยมันมีกรรมเป็นปัจจัยมันเป็นอุตตุชรูปจริงแต่มีกรรมเป็นปัจจัยอย่างพวกวิมานเทวดาเนียวิมานเนี่ยเป็นอุตตุชรูปนะแต่มีกรรมเป็นปัจจัยพั้นพวกไอในนรกทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอุตตุชรูปแต่มีกรรมเป็นที่มีอยู่สูตรหนึ่งก็บอกว่าไฟเนี่ยไม่ตั้งใจไหม้คนพานหรอกแต่ว่าคนผ่านนี้ไปให้ไฟไหม้เองอย่างนั้น ความทุกข์ของพวกสัตว์เดรัจฉานมีการกรันแและประตักท่อนไม้เป็นต้นมิใช่น้อยเว้นชาติเสียทุกขพึงมีในพวกสัตว์นั้นได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นชาตินั้นจึงชื่อว่าเป็นทุกในพวกสัตว์นั้นถ้าเขาไม่เกิดเป็นเดรัจฉานซะอย่างเดียวเนี่ยนะถ้าไม่เกิดไปไปเกิดในไข่เป็นปลาเป็นต้นเนี่ยถ้าเขาไม่เกิดซะอย่างเดียวเนี่ยความทุกข์เหล่านั้นเหล่านั้นเขาจากมีไมเนี่ยนะก็ไม่มี อันนั้นก็ถือว่าความเกิดเนี่ยเป็นต้นต่อแห่งความทุกข์อย่างแท้จริง น, นะทุกข์ในหมู่เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยเพราะเกิดแท้ๆเมื่อไม่นานเนี่ยที่ไม่รู้เข้าแก้วิธีไหนนะที่ช้างมันแทงลูกตายใช่ไหมไม่รู้ว่าออกมาผลมันเป็นยังไงแม่ก็ตายใช่ตัวตัวแม่ช้างก็ตาย น, นะขนาดนี้สมัยใหม่นะเกิดมาในยุคไฮเทคเต่นน่าจะพ่าออกมาได้ไม อ๋อช้างเนี่หมดสิทธิ์ผ่าเลยอ๋อโหคือเรียกว่าลูกก็ตายอยู่ในท้องแล้วใช่ไหมแล้วก็แม่ก็เริ่มทุกข์ทรมานขึ้นมาเรื่อย ๆ, ๆนะในที่สุดแม่ก็ตายนะไปจุดธูปอ้อนวอนก็ช่วยไม่ได้ไดนะนะโอ้นับว่า นั่นแหละโทษของการเกิดในถ้าถ้าถ้าสัตว์ไม่เกิดในคันช้างนะแม่ช้างก็ไม่ตายใช่ไหมถ้าไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่เป็นแม่ช้างนะเราทั้งหลายก็ยังนึกว่าพ้นนะถ้าไปเป็นแม่แล้วลูกไม่ยอมออกเลยนะอยู่ในนั้นนะโอ้โหจะทรมานขนาดไหนก็พูดอย่างนี้แหละเผื่อใครจะเห็นโทษของการเกิดบ้างนะนะปรารถนานิพพานให้สักคนหนึ่งก็ดีใจแล้ว อันหึงทุกข์เพราะหิวกระหายในพวกเปรตมีแดนเกิดนะมีแดนเกิดแต่ลมและแดดเป็นต้นชนิดต่างๆย่อมไม่มีแก่สัตว์ผู้ไม่เกิดในพวกเปรตนั้นแม้เพราะเหตุนั้นท่านผู้รู้ก็กล่าวว่าชาติเนี่ยเป็นทุกข์คือถ้าไม่เกิดเป็นเปรตสักอย่างเดียวในะความอดอยากหิวโหยความทุกข์ทรมานความตากแดดตากลมเป็นต้นเนี่ยนะยหิวหิวอยู่เป็นพุทธันดรเนี่ยจะมีไหมอย่างเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะตกนรกอว้ย ปนเปียกอยู่ในนรกเนี่ยนะเก้าสิบกับลับอ่ะแล้วก็มาชาติชาติหลังเนี่ยในกลับเนี่ยแกเป็นเปรตอยู่หลายพุทธันดรเป็นเปรตอยู่สี่พุทธันดรเ น, นี่ยนะหนึ่งพุทธันดรก็แผ่นดินห่างประมาณยี่สิบกิโลเมตรเนี่ยนะแล้วก็อยู่สี่พุทธันดร น, นี่หิวอย่างนั้นมามันอดมันกระหายมหาพูดจริงๆเ น, นี่ยคือโทษของการทําผิดใน มหาพูดอันที่จริง น, นรกเปรตอสุรกายเดรฉานที่พูดถึงมันมหาพูดทั้งนั้นแหละแต่มันมีกรรมเป็นสมุทฐานเนี่ยนะมีจิตเป็นสมุทฐานมีกรรมเป็นสมุทฐานทีนี้กรรมมันก็ไม่ยอมเลิกยอมราเนี่ยนะก็บาป ท, ทั้งหลายที่ทำไว้มันคือมันเป็นเหตุเป็นผลอน่ยนะมันมีผลบังคับใช้อะอย่างกฎเกณฑ์แห่งกรรมเนี่ยมันหนักกับกฎหมายมากเลยนะ กฎหมายท้านี้สักกี่ปีมันก็หลุดแล้วใช่แต่อันนี้ไม่มีหลุดถ้าได้ปัจจัยพร้อมเนี่ยเมื่อแสนโกดกับที่แล้วนะมาให้ผลได้ทันทีเลยอย่าว่าเราเราเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยังมาให้ตามมาให้ได้อย่างเนี่ยดูวันนี้ดูเรื่องตถาญาปราชิกกล่าวถึงว่าพระพิษุรูปกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะประมาณห้าร้อรูปอดีตชาติเป็นในพรานนะเป็นในพรานเนื้อฆ่าเนื้อฆ่านก ตายแล้วก็ไปตกนรก น, นะหลังจากพ้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยด้วยอุ บ, บุญเก่าบางบางตัวเนี่ยนะส่วนใหญ่อะปราปรัเจตนาในอดีตที่ไกลามากมานําเกิดเกิดก็มีศรัทธา ก, ก็ม บ, บวชพอมาบวชนี่พระองค์ก็เล็งแล้วว่าภายใน15วันเนี่ยห้ารูปนี้จะต้องตายทั้งหมดเนี่ยนะทีนี้เอ่อมันก็มีว่าในกลุ่ม500รูปมีทั้งปุตชนพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีและพระอรหรัน์ เพราะว่าอกรรม ท, ที่เป็นในพรามเนี่ยตามมาให้ผลทีนี้ถ้าบรรดาพระอริยะก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ก็ห่วงปุตุชนว่าปุตุชนเนี่ยถ้าใกล้จะตายเนี่ยโดยทั่วๆไปก็ยังชําระกคติตัวเองไม่ได้พระองค์ก็เลยสอนให้ภิกษุปุตุชนทั้งหมดหทั้งหมดกลุ่มนั้นเจริญอสุภกรรมฐานให้หมดเลยพอพระองค์สอนให้เจริญอสุภกรรมฐานเสร็จพระองค์ก็หลีกเลนบอกว่าผู้ที่จะไปเฝ้าพระองค์ได้ต้องผู้ที่ส่งอาหารรูปเดียว เพราะฉะนั้นเราขอหลีกเล่นสิบห้าวันเนี่ยนะไม่ออกมาโดยประการทั้งปวงผมงก็หลีกเล่นภิกษุเหล่านี้นี่ก็พอเจริญอสุภะเข้าก็เบื่อหน่ายในร่างกายก็อยากจะตายไอ้ที่อยากตายนี่ไม่ใช่ผลของอสุภะหรอกแต่มันเกิดจากไอ้กรรมที่เคยทำปานาติบาตเนี่ยนะกรรมที่เกิดเป็นในพรานมาให้ผลก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายทีนี้วิธีหนึ่งก็เปลี่ยนกันค่า แลกกันฆ่าบ้างก็ไอ้เจ้าหนึ่งหัวใสไปจ้างบอกว่าแกฆ่าฉันนะเอาเอาบริขารไปก็เลยไปจ้างสมณะกุฏลสมณะกุฏคนนี้ก็เลยฆ่าพระบางวันนี่ฆ่าถึง60สิรูปเนี่ยนะเพราะฉะนสิบห้าวันเนี่ยวัดในแทบวัดร้างเลยนะตายบานเลยนะรวมห้ารอยรูปพอกรรมเหล่านั้นมันหมดพระ อ, องค์ก็ออกมาะนนะคือพระ อ, องค์ไม่ใช่เป็นผู้ห้ามกรรมได้นะถ้ากรรมไม่มีใครห้ามได้ ไม่มีใครมีอำนาจที่จะห้ามกรรมได้เพราะกรรมนี่มันมีกำลังอย่างแรงกล้าแต่ว่าพระองค์ก็มีประโยค่าสอนให้เขาเจริญกรรมฐานเขาจะได้ชำระคติได้อย่างน้อยก็สวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้านะก็ให้เจริญกรรมฐานไปซะก่อนอันถ้าเกี่ยวกับเรื่องกรรมเนี่ยนะที่มันตามมาให้ผลนะไม่มีเลิกมีราถึงอย่างพระมหาโมกขลานะเนี่ยถูกทุบไปกระดูกแหลกเนี่ยมากระชาติที่ร้อยพอดี ถ้ายังอยู่อีกนะท่านอาจจะถูกทุบอีกนานแล้วก็ชาติสุดท้ายเนี่ยท่านก็มาจากนรกนะจุติจากนรกก็มาเกิดในคันของนางอะไรนีนางโมกขลีนางโมกขลีก็เลยชื่อว่าโมกคลานะเนี่ยนโะมกคลีบุตรอ่ชื่อชื่อพระโมกคลานะเพราะลูกของนางโมกคลีก็ถูกทุบซากกระดูกแหลกเป็นผงหมด พันธะกรรมมันจะให้ผลเนี่ยนะที่ไหนก็ไม่พม้นพันธก็มาจากอะไรก็มาจากการการเกิดเพราัน้าเกิดมาแล้วเนี่ยนะกรรมทั้งหลายที่จะให้ผลก็ติดตามมาอย่างเราระลึกถึงพระองคุลิมานใช่ไหมถ้าท่านไม่บรรลุเป็นพระอรหันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นสําหรับท่านเนี่ยนะฆ่ามา999คนนะเนี่ยนะแม้กระทั่งตอนปฏิบัติท่านก็เดือดร้อนมากเนี่ยนะและชาตินี้เวลาท่านไปบิณฑบาตเขาไล่ไก่นะี ไอ้ก้อนหินยังมาตกใส่บาทท่านอย่างเงี้ยบาทแตกจีวรก็ขาดเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็เดือดร้อนมากเลยชาติหลังๆมาแต่ชาตินี้มาเพราะว่ากรรมมันจะไม่เลิกไม่รานั้นผลของกรรมเนี่ยมันตามไปให้ผลได้ทุกขนทุกแห่งเนี่ยนะเฟ้นไว้แต่เทวดาบางส่วนกับพรหมโลกแต่ก็ถ้าหมดบุญนะหมดบุญจากเทวดาเพราะเทวดาจริงๆอะนะมัน มันเหมือนกับลอยอยู่ในอากาศเนี่ยนะถ้าพูดไปเหมือนก็เหมือนลอยอยู่ในอากาศและอะไรบ้างที่มันลอยอยู่ในอากาศได้นานๆจริงๆอ่ะในที่สุดมันก็หลุดตกลงมาอีกไหมตกลงมาก็แบบนี้ขึ้นมาไปใหม่เนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นใครที่ศึกษาพระธรรมปฏิบัติภาคเพียรจนทําที่สุดแห่งวัฏทุกข์ได้เนี่ยจึงเป็นผู้ที่ควรเคารพสักการะเป็นอย่างมากฉะนั้นการพิจารณาอริยศาส์นั้นเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอย่างมาก อริยศาสนั้นเป็นวิปัสนาภูมิใช่ไหมนั้นการคิดถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็คือการเจริญวิปัสนานั่นเองการพิจารณาถึงภายในอบายพิจารณาถึงภายในนรกในเปรตอสุรกายเดรฉ า, านเป็นต้นเหล่านี้เรียกว่าการเจริญวิปัสนาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทุกข์ร้อนกับเจาเพ่งรูปเพ่งนามอะไรจนเกินไปเนีย่ยนะก็มาพิจารณาอย่างนี้มากๆจะได้เห็นภายในก็รูปน้ําอีกนั่นแหละนั่นกว็วันนี้ก็คงสมควรกับเวลาแล้วนะ เรื่องอะไรที่เรียกว่ามันเป็นปัญหาเป็นทุกข์เนี่ยนะบอกว่านั่นมาจากการเกิดเนี่ยนะให้ระลึกว่านั่นเป็นผลของการเกิดนคื อ, นนะ ถ, อถ้าเราเช่นเราได้ยินปัญหาใครที่เขามีปัญหาวุ่นวายเขาทุกข์เขาเดือดร้อนเนี่ยนะก็นั่นเป็นผลของการเกิดเนี่ยนะเห็นคนไข้ในโรงพยาบาลก็นึกได้แหะนี่เป็นผลของการเกิดนะถ้าเขาไม่เกิดเขาไม่ทุกข์อย่างนี้หรอกอันนะ้าอัยาศัยน้อมไปเพื่ออาชาตคือการไม่เกิดมันจะได้มีขึ้น อันที่จริงถ้าเรายินดีในความไม่เกิดนั่นแหละเรียกว่ายินดีในพระนิพพานถ้าเราไม่เห็นโทษของการเกิดอย่างแท้จริงนะที่เราจะหลีกไปอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ฐานนะพราธุที่ที่เราทั้งหลายไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานส่วนหนึ่งเพราะเราไม่ได้รังเกียจในการเกิดมากสักเท่าไหร่นี่นนะเพราะจิตมันไม่น้อมออกนี่นะมันก็พยายามเห็นจริงอยู่ว่าเรามาศึกษาธรรมะเราอาจจะว่าเออเราน้อมออกแต่มันครั้งคราวเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นอัธยาศัย อย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริงมันก็เลยไม่คู่ควรแก่การพ้นจากการเกิดเนี่ยนะแถ้าเห็นทุกหรือเห็นผู้มีปัญหาทั้งหลายเห็นเดรัจฉานทั้งหลายนี่ก็รู้อันนี้เป็นผลของการการเกิดนะ